ปสัสมเพตะพระเตจ ต, ตาลีสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปหมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป์แกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัยสไม่ใช้สมณีนอุปถา สไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุ <ys> ทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สลาทิฏฐิาบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวด ท, ที่2ภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สลาดทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่ง คือหนึ่งไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงโอเขปนิยกรรมเพราะไม่สลาทิฏฐิบาปอีกสองไม่ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกันสาไม่ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้นสไม่ตําหนิกรรมหไม่ตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลและถึง หมวดที่ 8. ภิกษสุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ 8. คือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ประกาัตตะภิสุ 2. ไม่งดปวรารณาแก่ประกาศตตะภิสุ 3. ไม่ทำการไตสวน 4. ไม่เริ่มอนุวา ท, าทิกร 5. ไม่ขอโอกาสภิษุอื่น 6. กไม่โจทย์พิสุอื่น ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ8ไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สลาทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8ดเหล่านี้แลปฏิปัสัมพพเพตาพระเตจตาลีสกะในโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบวิธีระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา ภิกษุทั้งหลายสงเพงระ ง, งับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ฉลาดทิฏฐิบาปอย่างนี้คือภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ฉลาดทิฏฐิบาปพึงเขาเ้าไปหาสงโฮมอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกลพรนศาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ฉลาดทิฏฐิบาปแล้ว กลับประพ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป พ, พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติเจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้ว กลับประพฤติอชอบหาย เ, เยื่ยยิงกลับตัวได้ขอระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปถ้าสงพร้อมแล้วพึงระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่พิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติอชอบหายเยืยเย่ยยิงกลับตัวได้ ขอระงับโอเคปัญยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปสงกระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับโอเคปัญยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงน okay, ิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงครั้งที่สาม ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงโอเคปัญยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับระพฤตชอบหายเยื่ยยิงกลับตัวได้ขอระงับโอเคปัญญกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสงระงับโอเคปัิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับโอเคปัญยกรรม เพราะไม่สลาทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงโอเคปัิยกรรมเพราะไม่สลาทิฏฐิบาภสงระงับแล้วแก่ภิกษุนี้สงเห็นด้วยเพราะเห็นนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้โอเคปัิยกรรมเพราะไม่สลาทิฏฐิบาปที่เจ็ดจบการมักขันธกะที่หนึ่งจบ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 ลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วหมวดที่สามไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงลงไม่ให้จํเลยให้การก่อนแล้วจึงลงไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงหมวดที่สี่ลงรับหลังลงโดยไม่ชอบทำสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่ห้าลงโดยไม่สอบถามลงโดยไม่ชอบทำสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่หไม่ลงตามปฏิญญาลงโดยไม่ชอบทม สงแบ่งพวกันลงหมวดที่เจ็ดลงเพราะไม่ต้องอาบัตลงโดยไม่ชอบทำสงแบ่งพวกันลงหมวดที่แปดลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทสนาคามินีลงโดยไม่ชอบทำสงแบ่งพวกันลงหมวดที่เกลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วลงโดยไม่ชอบทำสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่สิบไม่จดก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบรำสงแบ่งพวกรนลง หมวดที่11ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงหมวดที่ส2องไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงนักวิจัยพึงท่าฝ่ายถูกตามในตรงข้ามกับฝ่ายที่ผิดสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชเนียกรรมแก่ภิกษุสามจำพวก คือหผู้ก่อความบาดหมางโง่เขล้าและคลุกคลือกับครหัตสองผู้วิปัสสในอธิศีนในอาชาจารและในอติทิฏฐิ 3. ผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมพึงลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางโง่เขลาและคลุกคลีกับเครหัตสองรูปหนึ่งวิปัสสในอธิศีนในอาชาจารและในอติทิฏฐิ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 ไม่งดอุโบสถและปะวารณาแก่ประกะตัตตะภิษุไม่ทําการสอบถามไม่เริ่มอนุวาธาทิก่อนไม่ขอโอกาสภิกษุอื่นไม่โจทย์ภิษุอื่นไม่ให้พิกษุอื่นให้การและไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะสงฆ์ไม่พึงระงับตัชนียกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือให้อุปสมบทให้นิสัยใช้สามเณรอุปถากสั่งสอนภิษุณี แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนและองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือต้องอาบัต้นั้นต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกันนั้นต้องอาบัตที่เลวซ้มกว่านั้นตําหนิกรรมตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คืองดอุโบสถปวารณาทําการไต่สวนเริ่มอนุวาทาิกรให้ทําโอกาสโจทภิกษุอื่น ให้ภิกษุอื่นให้การและให้ต่อสู้อธิกรณ์กันยอมไม่พ้นความผิดจากตัชนียกรรมนักวิจัยพึงทราบฝ่ายถูกตามในตรงข้ามกับฝ่ายที่ผิดนั้นภิกษุเซยสกะโง่เขลามีอาบัตมากและคลุกคลีกับขรหัสพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาหมุนีรับสั่งให้ลงนิยสกกรรมภิกษุชื่ออัศิและชื่อบุณปสกกะอยู่ในกตตาคิริชนบท ไม่สำรวมประพฤติไม่สมควรต่างๆพระสัมพุทธชินเจ้ารับสั่งให้ลงปปพาชนียกรรมในกรงสาวัตถีภิกษุสุธรรมอยู่ประจำในอาวาสของจิตตะข้างอบดีในเมืองมัชิ ก, กาสนดาจิตตะอุบาศกด้วยคำหยาบกระทบชาติกำเนิดพระตถาคตรับสั่งให้ลงปฏิสารณียกรรมภิกษุช น, นะไม่ปรารถนาจะรู้เห็นอาบัต พระชินเจ้าผู้อุดมรับสั่งให้ลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตในกรุงโกสามพีภิกษุช น, นะไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตินั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายกพิเศษรับสั่งให้ลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตภิกษุอริ t h เกิดทิฏฐิบาไปเพราะความเขาพระชินเจ้ารับสั่งให้ลงอุเคปณิยกรรมเพราะมิ่ละทิฏฐิ นิยสกรรมปปพาชนียกรรมและปฏิสารณียกรรมก็เหมือนกันบทเหล่านี้มีเกินในปปพาชนียกรรมคือเล่นขนองประพฤติไม่สมควรอนาจารลบล้างพระบัญญัติและมิจฉาชีพเพราะไม่เห็นไม่ทําคืนอาบัติและไม่สลทิฏฐิบาปบทเหล่านี้มีเกินในปฏิสารณียกรรมคือมุ่งความไม่มีลาบกล่าวตาหนิมีชื่อว่า ปัญจกะสองหมวดหมวดละหแม้ตัชนียกรรมและนิยสกรรมก็เหมือนกันปปพาชนียกรรมและปฏิสารณียกรรมย่อนและยิ่งกว่ากัน8ข้อสองหมวดการจำแนกอุเคปณียกรรมสามอย่างก็เช่นเดียวกันนักวิจัยพึงทราบกรรมที่เหลือตามในแห่งตัชนียกรรมกรมขันตกะจบ สิกะขันธกะ 1. ปาริวาสิ ก, กะวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวายินดีการที่ประกาศตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรม นำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาตและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตาหนิประนามภูลทนาว่าชไหนพวกภิกษุผู้อยู่ปริวาสจึงยินดีการที่ประกาศตัดตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลูกรับประนมมือทาสามีจิ ก, กรรม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 ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสยินดีการที่ประกาศตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจีก ร, รมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าและรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำจริงหรือ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 นำที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำตามลำดับพรรษาภิกสุทั้งหลายเราอนุญาตกีดห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกสุผู้อยู่บริวารตามลำดับพรรษาภิษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น เราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสโดยวิธีที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสทั้งหลายพึงประพฤติวัดเกาสิข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาสภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัยสไม่พึงใช้สมณเณอุปถา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 19ไม่พึงเดินนําหน้าประกาศตตาภิกษุ20ไม่พึงนั่งข้างหน้าประกาศตตาภิกษุ 21. พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงท์ที่จะให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาตนั้น 22. ไม่พึงมีประกาศตัดตาภิกษุเป็นปุเรสมณะหรือเป็นปัจชาสมณะเข้าตรกนยี่ ไม่พึงสมาทานอา ร, ารันยักษะคังคัตุดง24ไม่พึงสมาทานปินทปาติคังคัตุดง25ไม่พึงให้เขานำบินทบาทมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนอย่าได้รู้จักเรา26เป็นอคันตุ ก, กะไปก็พึงบอกให้ทราบ27มีอคันตุ ก, กะมาก็พึงบอกให้ทราบ28พึงบอกในวันอุโบสถ 29พึงบอกในวันปวารณา30ถ้าอาพาธพึงส่งทูตให้ไปบอก31ไม่พึงบอกจากอาว่าที่มีภิกษุไปสู่อาว่าซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย32ไม่พึงออกจากอาว่าที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาว่าซึ่งไม่มีภิกษุเว้น <neighborhood> แต่ไปกับปะกะต ต, ตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย33ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย34ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย35ห ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตะตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย36ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย37ไม่พึงออกจากอาวาท หรือสถานที่ไม่ใช่อาว่าที่มีภิกษุไปสู่อาว่าที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสามไม่พึงออกจากอาว่าหรือสถานที่ไม่ใช่อาว่าที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาาที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสาสิบเก ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย40ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย41 ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช้อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนาน า, นาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสี่สิบสองไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไป <zia> สู่อาวาสหรือสถานที่ไม sí ่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย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 เว้นแต่มีอันตราย45ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนาน า, น า, นาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับประกะตะตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย46ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาตที่มีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับประกาศตัดตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย47ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช้อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช้อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับประกาศตัดตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย48 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนาน า, นาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกะตัตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย49พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปอาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาน er <S. S 2> สังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมณสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ5้อพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมณสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ52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 พ่งออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละหสหพึ่งออกจากอวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาอยู่ด้วยถ้ารู้ว่า เราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ56พึ่งออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานะสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ57พึ่งออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใ <mitad> ช<ค>่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ 58. ิภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ปริวาทไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบางเดียวกันกับปะกะตตะภิกษุ59ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบางเดียวกันห0สิบไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบางเดียวกัน 61เห็นประกะตตะพิษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ62พึงนิมนต์ประกะตตะพิษุให้นั่ง63ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับประกะตตะพิกษุ64เมื่อประกะตตะพิษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง65เมื่อประกะตตะพิษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ66 ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับประกาศตัตตภิกษุ67เมื่อประกาศตัตตภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง68เมื่อประกาศตัตตภิกษุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม69ถึง89ไม่พึงอยู่ในอาวะที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุ ผู้อยู่ปริวาที่มีพรรษาแก่กว่าและถึงกับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมกับภิกษุผู้ควรแก่มานัตกับภิกษุผู้ประพฤติมานัตกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาว่าที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในอาวาาหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาาที่มุงบางเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก้อภก้านิบเมื่อภิกษุผู้ควรแกออภัยนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง9ก้าิบเอ็ดเมื่อภิกษุผู้ควรแก้อภานนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ9ก้าิบสองไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแกอภาน9สา เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภารเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง94เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภารเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาเป็นรูปที่สี่พึงให้ปริวาดชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาณนั้นเป็นรูปที่ยี่สิบ พอึงอภานกรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำวัด94สข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาสจบรติเฉดว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรีสามอย่าง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 การอยู่ร่วมกันสองวิปวาสะการอยู่ปราดสามอนาโรจนาการไม่บอกอุบาลีรัติเฉตของภิกษุผู้อยู่ปริวาทมีสามอย่างนี้แหละทรงอนุญาตให้เก็บปริวาสสมัยนั้นภิกษุสงฆ์มาประชุมกันเป็นจำนวนมากในกรงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาทไม่สามารถจะทำปริวาสให้บริสุทธิ์ได้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 ข้าพเจ้าเก็บปริวาสปริวาสย่อมเป็นอันเก็บแล้วหรือกล่าวว่าข้าพเจ้าเก็บวัดวัดย่อมเป็นอันเก็บแล้วทรงอนุญาตให้สมาทานปริวาสสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเดินทางออกจากกรุงสาวัตถีไปในที่ต่างๆภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสสามารถทำปริวาสให้บริสุทธิ์ได้จึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมาทานปริวาสวิธีสมาทานปริวาสภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสมาทานปริวาสอย่างนี้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพระเจ้าสมาทานปริวาสปริวาสย่อมเป็นอันสมาทานแล้ว หรือกล่าวว่าข้าพเจ้าสมาธานวัดวัดย่อมเป็นอันสมาธานแล้วปาิวาสิกกวัตตะจบ